Bye. Yeah. ความสุขที่พึ่งทิงสิ่งอื่นเนี่ยเป็นความสุขจอมปลอมดังนั้นที่ใช่สุขเพรา ะ, ะ air, เราอ่อนแอเราอ่อนแอเราต้องพึ่งทิ้งคนอื่นพึ่งทิงสิ่งอื่นพึ่งทิ้งลูกพึ่งทิงหลานพึ่งทิงแฟนเราสุขด้วยตัวเองไม่ได้เพราะนั้นเราถือว่าเราเป็นคนอ่อนแอจิตใจนี้มันอ่อนแอมันถึงไม่เป็นผู้ใหญ่มันถึงเติบโตไม่ได้ มันก็เหมือนเดิมเมื่อก่อนพึ่งแม่เดี๋ยวนี้พึ่งแฟนอนาคตพึ่งลูกก็พึ่งคนอื่นเหมือนเดิมโตไม่ได้ทันทีคนทุกคนสัตว์ทุกตัวต้องการพทุกเขาต้องหาทางจะหาทางไหนก็ได้วันหนึ่งต้องเจอทางนี้ไม่ชาตินี้ก็ไปชาตินู้นแล้วกันแต่ต้องเจออ่าต้องเจอสักวัน พอพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขแต่ละคนก็จะไปทางนู้นไปทางนี้ไปทางนั้นไปทางนี้ ไ, ไปเรื่อยบุญกรรมไม่เท่ากันไปผิด ก, ก่อนแต่จนบันหนึ่งจิตวิญญาณทุกดวงที่ต้องการจะพ้นทุกจะต้องเจอทางนี้ในที่สุดไม่มีใครจะไม่เจอต้องเจอแต่ต้องลงนระกกี่กับกี่กัร น, นะนะจะต้องเกิดมาลำบากเท่าไหร่ อีกกี่พบกี่ชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเกิดใหม่ก็ไม่ใช่เราตอนนี้หรอกเราจํามไม่ได้แล้วก็เป็นคนใหม่แหละแต่ทุกเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทุกพูดตลกพูดอะไรพวกนี้ไม่ต้องพิคิดเยอะสมมุติเปลี่ยนเราไปเกิดในเอธิโอเปียก็พอไม่ต้องเป็นตลกจริงๆก็ได้เคยเห็นเด็กเอธิโอเปียใช่ไหมกินน้ํำในกองอึหัวอย่างเงี้ยมันไม่มีน้ำจริงนะ เจอใซีเลียที่มีแต่สงครามอย่างนี้ก็นรกสุดๆแล้วไม่ต้องการนรกที่ไหนเราได้เห็นว่าทําไมมีความแตกต่างทางชาติพันธ์ความสงบความสบายของที่ถิ่นที่เราอยู่ในประเทศที่เราอยู่ทําไมเพราะว่าสิ่งที่เราสั่งสมมาบุญกรรมต่างๆที่ที่มัน drive ชีวิตเรา drive จิตเราให้มันเป็นอย่างนี้มัพาเรามาถึงตรงนี้ แต่ถ้าเรายังไม่พ้นการเกิดไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าเราจะไม่ไปเกิดที่นู่องค์คุริมานเป็นแบบนั้นโชคดีผู้ได้เจ้าไปช่วยไม่นอกฆ่าคนไปไม่มีเท่าไหร่จนตายคือเราต้องเข้าใจว่าภาษาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสมมุติบางทีครูบาอาจารย์แต่ละองค์พูดไม่เหมือนกันด้วย ภาษาเนี่ยมันถูกนิยามไหมทีหนึ่งเราไม่รู้ใครจะเป็นคนเลือกต้นนิยามคํานี่แล้วเขาต้องถูกหรือเลปล่าก็ไม่รู้เหนื่อยไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาสภาวะที่เราเห็นได้ด้วยตัวเองที่ที่บอกว่าเราต้องเข้าไปประจักษ์แจ้งสภาวะเช่นความเป็นปกตินี้ด้วยตัวเองด้วยใจของเราเองการฝึกปฏิบัติธรรมทั้งหมดในศา ส, สนาพุทธหรือว่า ที่พระพุทธเจ้าสอนอ น, นี้เป็นการเข้าไปเห็นความจริงการเข้าไปเห็นความจริงเข้าไปเห็นความจริงนีม่มีแต่กิริยาเฉยๆเราไม่เรียกมันเป็นบุญเป็นบาตแต่ก็พระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าเป็นกุศลอ่าเป็นกุศลเฉยๆแต่ก็เป็นคําพูดอีกเพราะนีจริงความจริงสูงสุดคืออะไรมันคือมหาสุญญาตาคือทะเลแห่งความว่างในความว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย บุญกุศลอะไรก็ไม่มีบุญบาปอะไรก็ไม่มีในนะั้นไม่มีว่างเฉยๆเหมือนพี่พูดอย่างนี้อย่าง น, นี้ไม่มีอะไรข้างในนี้ไม่มีอะไรไม่มีเมตตาด้วยบางทีเราคิดว่ามีเมตตาไม่มีเหมือนกันทําหน้าที่เฉยๆแสดงออกแบบนี้เฉยๆเป็นหน้าที่ของปัญญานี่ปัญญาเป็นคำพูดเหมือนกันแต่เพื่อจะสื่อสารให้คนเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความคิด ไม่ใช่ความปรงแต่งเพื่อจะแยกออกให้คนฟังเข้าใจเฉยๆแต่้าถาจริงๆไม่มีอะไรเราแค่ใช้ขันห้าขันห้าคือเนี่ยสัญญาความจำได้หมายรู้สังคารคือความคิดเพื่อจะปฏิบัติต่อพูดเป็นภาษาคนให้ฟังเข้าใจได้อย่างนี้เราใช้เครื่องมือที่เรามีเฉยๆตอนนี้ถ้าไอ้เครื่องมือนี้มันตายไปมันก็ไม่ต้องใช้มันก็กลับสู่อะไรกลับสู่ความว่าง ก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นเองการที่เราไปผูกอยู่กับใครนี้จะ ต, ต้องทุกข์แน่นอนผูกกับสิ่งของผูกกับคนผูกกับวัตถุอะไรก็าตามต้องทุกข์ไม่มีทางไม่ทุกข์การที่เราจะฟรีดอมจากทุกข์นี้ ไม่ใช่การที่เราคอยโปรเทคอะไรไม่มีทางโปรเทคได้เราต้องเป็นอิสาระจากมันเป็นทางเดียวทางออกเดียวมาเล็กๆแคบๆออกมาทางนี้คือพระ เ, เจ้าก็สอนว่าให้เรามีกรรยาน้ำมิตรเราไปปฏิบัติธรรมนี่เราต้องวิเวกสันโดษแต่เรามีเพื่อนได้ เพื่อนไว้ช่วยกันยามยากอย่างพระได้เป็นสังฆะอย่างเงี้ยทาไมช่วยกันเจ็บป่วยช่วยกันได้ไปอยู่คนเดียวใครจะช่วยใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติธรรมต่างคนต่างทำไม่ได้โยงกันชีวิตส่วนใหญ่เรเป็นวิเวกสันโดษแต่อยู่ด้วยกันนะช่วยกันมีอะไรส่วนรวมต้ช่วยกั น, น, วว ก, นก็ช่วยสร้างกุฏิหาบน้ําสมัยก่อนอะไรเงี้ยบินทบาดเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลกันได้ เราจะมี relationship แบบนั้นแทนแต่ถ้าเป็นคู่กันไม่ปฏิบัติธรรมกิจกรรมร่วมกันแบบอะไรเรื่องของกิเลสตัณหาพ <c oughs> ากันไปดำดิงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมนำชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่น่ากลัวมากเราจะผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ได้ความทุกข์ความผิดพลาดในชีวิตที่เราเลือกผิด เราเก้าผิดครั้งเดียววันนี้จะเป็นคอนซิเวนเลยยาวอ่าแล้วเราต้องรับกรรมนั้นด้วยในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมนำชีวิตมันก็เราไม่มีแสงสว่างไม่มีประทีบดวงประทีบนี่เป็นไฟฉายส่องนำทางเราชีวิตเราก็น่ากลัวอันตราย พระเทเจ้าในะจริงก็สอนไว้แล้วว่าต้องมีโยนิโสมานสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคายที่จะรู้ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก้าวหน้าไหมความก้าวหน้าที่แท้จริงก็คือความพ้นทุกข์นั่นแหละปฏิบัติธรรมต้องพ้นทุกข์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมนี่เป็นหัวใจสําคัญไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติไปปฏิบัติตะกอน เห็นอย่างนี้ไปอ่ะอีกสิบปียี่สิบปีค่อยมาคุยกันหรือจะค่อยดีขึ้นนีมั่วเลยมีสอนมั่วเลยแบบนั้นไม่ใช่เลยธรรมะพระเจ้าไม่ได้หวยขนาดนั้นต้องพ้นทุกเดี๋ยวนี้เลยนี่ปฏิบัติแบบนี้ต้องพ้นทุกเดี๋ยวนี้นี่คือการปฏิบัติที่แท้จริงแต่ว่าเราไม่เชื่อกันเราไม่เชื่อเราไปชอบคิดการปฏิบัติธรรมเปนยาก ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นสะสมนี่สะสมนั่นสะสมอะไรเขาไปเอาออกนะครปฏิบัติทําไป็นการเอาออกไม่ใช่เอาเข้าหกหรือสะสมนู่นสะสมนี่ละใครสะสมก็เล่านี่แหะสะสมทั้งนั้นจะเอาบารมีสิบอย่างจะเอาบารมีให้เต็มละใครมันสะสมก็เล่านี่แหะสะสมทําทานใหญ่เลยกลัวทานบารมีไม่เต็มสักทีหมดตัวพอดีทั้วนั้น พุทธเจ้าพูดตลอดว่าจงมาลองดูเถอแปลว่าอะไรประสบการณ์ตรงของตัวเองนี่แหละที่จะสอนตัวเองได้ต้องก้าวเข้ามาที่จะเริ่มลองทำดูแลประสบการณ์ตรงของเราเองมันจะบอกเราว่าโอ้โหใช่เว้ยมันจะใช่ได้ไงต้องพ้นทุกเดีอมันต้องพ้นทุกเลยถึงจะใช่ถ้าเราปฏิบัติถูกมันต้องดีขึ้นเลย แต่โอเคมันยังไม่ดีร0อยเอร์เซ็แต่เราจะรู้ตัวเองว่าเราดีขึ้นเราไม่ใช่เท่าเดิมหรือว่าแย่ลงถ้าปฏิบัติถูกต้องที่บอกว่าเรารู้ทุกสิ่งตามที่มันเป็ น, นเราพ้นคนเราพ้นทุกแต่ถ้าปฏิบัติในแบบที่ส่งเสริมอัตราตัวเองมีแต่เราตลอดทางต้องทุกอย่างเดียว เพราะไม่มีคนที่เขาไปลองรับทุก์ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกผลรับมาแล้วว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำจริงๆคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ม, ม, ม, มันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือผลทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบอกมาแล้วเรา อยากจะเข้าใจนี่เราเกิดอะไขึ้นเราก็ไปคิดตามกระบวนการแบบนั้นคิดตามคิดตามคิดตามใช่เข้าใจเข้าไปนี่สมองมันเข้าใจไม่ได้เพราะมันอะไรมันมีเราอยากจะเข้าใจสิ่งสิ่งนั้นตลอดเวลาเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งเราเลยอยากจะเข้าใจบ่อยเขาคิดตลอดแล้วก็เข้าใจบ่อยๆเข้าไปคิดบ่อยๆเข้าไปคิดบ่อยๆเข้าไปคิดบ่อยๆนึกวาจะเข้าใจแ so จ่มแจ้ง ทางปฏิปทาคือการออกมาจากโลกของความคิดออกมาจากโลกของความปรุงแต่งให้ได้นี่คือทางนี่คือก้าวแรกที่เราจะต้องเดินเข้าไปให้ได้แต่การสอนที่ติดพลากจะไม่ไม่พาคนออกมาพาคนเข้าไปในนั้นตลอดมันก็เลยไม่มีก้าวแรกสักทีไม่มีก้าวแรกก็ไม่มีก้าวต่อไปไปไม่ได้มันก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นคําสอน การปฏิบัติธรรมที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เราเอาไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองสิ่งที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนเอาไปทําได้ด้วยตัวเองจะไม่เกิดการติดครูบาอาจารย์จะไม่เกิดการต้องคอยไปถามคอยไปตอนนี้จิตดีขึ้นหรือยังคะ ตอนนี้จิตเป็นยังไงจิตเป็นรู้ต้องรู้ตัวเองตัวเองไม่รู้ตัวเองแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการอะไรเรียนรู้กายใจที่ตามความเป็นจริงอุสาไปเรียนรู้เป็นเดือนเป็นปียังไม่รู้แต่กายใจตัวเองตึงเหรือยังอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้อย่างไรนี่เรียกว่าไปติดครูบาอาจารย์ไปติดว่าจะต้องให้เขาบอกถึงจะเชื่อมั่นอันนี้แปลว่าเราไม่เชื่อประสบการณ์ตัวเอง แปลว่าเรายังลังเลสงสัยอยู่การปฏิบัติธรรมที่ไม่ attached กับอะไรทั้งนั้นทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่อย่างเดียวประสบการณ์ที่จะค่อยๆเฉลยคำตอบออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ใช่บอกให้ไม่มีครูบาอาจารยนะ์ต้องมีต้องสนธนาธรรมต้องคุยกันอะไรเป็นยังไง แต่ไม่ใช่ไปยึดติดมันหลวงพ่อเวลาเทพเนี่เคยพูดบอกว่าใครเป็นโสดาบานแล้วยังมาถามว่าตัวเองเป็นโสดาบันหรือ ย, ยังแปลว่ายังไม่เป็นโสดาบันตัวเองไม่รู้ตัวเองเลยตัวเองต้องรู้ตัวเองหลวงพ่อเทียนนี่เคยพูดหลวงพ่อเทียนสมัยนั้นก็เป็นพระที่โอ้โหแบบ ทะลุทะลวงเลยอะคําพูดแต่ละอันเนี่ยหมวงเทียนพูดว่าใครว่าผมไม่ใช่ผมไม่สนผมว่าผมใช่ไม่สนใครจะว่าครูบาอาจารย์จะว่าผมไม่ใช่ผมไม่สนผมว่าผมใช่นี่ต้องมั่นใจในตัวเองแบบนั้นแต่หมายความว่าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะว่าเราไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยเป็นคนบอกตัวเองพระเจ้าเลยพูดก็ธรรมะพระเจ้าเป็นปัจจิตตังคือรู้ได้เฉพาะตน ไม่ใช่คนอื่นมารู้นเราคนอื่นรู้เราไม่เท่าเรารู้ตัวเองคนอื่นบางทีเขาบอกเราเป็นพะระอรหันต์แล้วเราก็จะเชื่อตามเขาอะไรก็ไ่ได้เป็นก็หน่อยอย่างเงี้ยฮะเราต้องซื่อสัต์กับตัวเองมีคนถามเว่าเรื่องพระเจ้าเป็นพระเบสันดอนและยกลูกยกเมียให้กับชูชกมันหนังสือเขาบอกว่ายกลูกยกเมียให้เนี่ยเรียกว่าําเพบา็บารมีให้ทานบรารมีไป จะได้มีบารมีเป็นอนาคตจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นมาได้เขาก็ถามหลวงพ่อเทียนว่าเออเราต้องทําแบบนั้นไหมนี่เขาพาซื้อหลวงพ่อเทียนว่าทำได้ไหมยกลูกยกเมียตัวเองให้คนงานที่บ้านตัวเองทําได้ไหมเขาบอกเราทําไม่ได้หลวงพ่อเทียนบอกเออนี่เราเปลี่ยนเป็นแบบนี้สมมติว่าพระพุทธเจ้ากำลังสอนเราว่าให้เราสละสิ่งที่เรารักที่สุดออกไปเนี่ย เราทำได้ไหมสิ่งที่เราสละไม่ค่อยได้คืออะไรความโลภความโกรธความหลงสละได้ไหมไม่โกรธได้ไหมไม่โลภได้ไหมไม่มีตัณหาลาคะได้ไหมอะไรสละแบบนี้ให้ได้ดีกว่าสละลูกสละมีเพราะเราติดกับมันมากเวลาเราโกรธคนบอกว่าอยากโกรธทำได้ไหมไม่ได้ต้องโกรธมันทำแบบนี้ไม่ถูก ไม่โกรธไม่ได้เดี๋ยววัลหลังมันไม่จําว่าไม่ควรทำลองไปคิดดูดิโกรธมาเท่าไหร่แล้วในชีวิตเพื่อจะบอกให้อีกคนหนึ่งไม่ทำมันก็ทำเหมือนเดิม <c oughs> เพราะเราพยายามจะเปลี่ยนคนอื่นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ตัวเราเองเปลี่ยนไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นสันดานอกฟังไม่เลยจิตใจเราตั้งแต่เกิดมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนจิตใจคนคนหนึ่งได้คือการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวคือการชำระจิตใจนี้ให้มันข่าวรอบให้มันบริสุทธิ์มันก็ห ม, หมดหมดทุกอย่างเพราะมันอะไรมันทำลายที่ความเห็นผิดความมีเหลา่าจริงๆทำลายความมีเหล่าทิ้งไปก็มไม่มีอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายทุกวันนี้เราทุกตันหาลาคะ วิเลโลกโกรธหลงทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะมีตัวเราเรานี่เป็นรองรับมันเอาไว้มันเลยดีทุกอย่างเกิดขึ้นวันหนึ่งมันไม่มีเราแล้วอ่ะจิตใจนี้มันเต็มไปด้วยความปกติเนี่ยไปไหนไม่ได้ที่เขาพูดคํำสาบว่าไม่มีไปไม่มีมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ไปไม่มามันไม่ต้องการมันไม่มีตันหาขับดันมันเต็มอิ่มอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแต่ความพร่องจิตใจนี่ไม่เคยเต็ม เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมันพร่องตลอดเวล า, เ, าเพราะมันมีแต่ตันหามีแต่ความต้องการไม่เคยหยุดหย่อนเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนวันหนึ่งเห็นถูกเห็นถูกต้องวิชาทิฏฐิมันก็หมดไปมีแต่สัมมาทิฏฐิ จริงๆมันก็ไม่มีด้วยสมมาทิฏฐิไม่พูดยังไงเล <c oughs> คือมันเข้าใจว่าอะไรเป็นมิชาทิฏฐิอะไรเป็นสมมาทิฏฐิแต่ตัวใจจริงๆไม่มีอะไรเข้าใจว่าใจสภาพนี้เรียกสมมาทิฏฐิสภาพของอย่างอื่นเรียกมิจาทิฏฐิเฉยๆแต่ใจนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีสมมาทิฏฐิด้วยไม่มีอะไรเติมลงไปทั้งนั้นมันบริสุทธิ์ว่างไม่มีอะไร เพราะ้นเราจิตใจที่พ้นทุกข์นี่เหนืออยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือของคู่ทุกอย่างเหนือดีเหนือชั่วเหนืออะไรที่มันรู้ร้าเลยเหนือหมดเพราะนั้นความปกติอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากสําคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องหมั่นที่จะกลับมาดูใจเราเองเรากลับมาดูใจเราเองปกติไหมเราเดินเราเหินเราเทําทการทํางาน กัดาเช็ดถูขับรถขับลาเม่ไปไปกับประดูใจโดยเองไม่ไปไปกับประดูใจโดจเยเองปกติไหมปกติไหมความปกตินี้จะเป็นมันไปแล้ว มันก็ไม่ต้องมีการไปการมามันก็เลยไม่พร่องมันก็เลยเต็มอยู่ตลอดเพราะสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วภาษาไทยใช่ไมพวกไม่เต็มนี่นี่แหละเราไม่เต็มไปทำให้มันเต็มจะเป็นคนเต็มเต็มแบบนี้ตอนนี้เราเป็นคนไม่เต็มฝึกให้มันเต็ม ไม่ต้องคิดว่ามันยากหรือมันมันเป็นสิ่งที่เราจะเข้าถึงไม่ได้ในชีวิตนี้ไม่ต้องคิดแบบนั้นเข้าถึงได้ทุกคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแค่ปลุกมันขึ้นมาเฉยๆแค่นั้นปลุกให้มันตื่นขึ้นมาอย่าให้โมหะนำหน้าชีวิตเหมือนเดิมความปกติอันนี้นำหน้าชีวิตปัญญาจะเกิดและนี้พาชีวิตไปได้ เพราะนั้นวันนี้ทุกคนก็ต้องกลับไปเปลี่ยนวิถีชีวิตไปคัลคูเลตใหม่ทำยังไงดีที่จะเอื้อประโยชน์เกื้อกูลการปฏิบัติธรรมเพื่อวันหนึ่งเราจะเข้าถึงความหลุดพ้นอย่างแท้จริงและเราจะไม่ต้องทุกอีกเลย